สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเพรซูตอนที่สี่ร้อยแปดลูกเอ๋ยพระเจ้าของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่สิบสามข้อที่สามสิบสามโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าลูกเอ๋ยเรายังอยู่กับเจ้าทั้งหลายอีกขณะหนึ่งเจ้าจะส่หาเราและดังที่เราได้พูดกับพวกอยู่แล้วบัดนี้ เราจะพูดกับเจ้าคือที่เราไปนั้นเจ้าทั้งหลายไปไม่ได้พี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้คือการรับเกียรติด้วยการทนทุกข์ของพระเยซูเมื่อวานนี้ผมเน้นเสมอนะครับว่าน้อยคนนักที่จะคิดถึงการรับเกียรติหรือการมีเกียรติด้วยการทนทุกข์ พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างของเราทั้งหลายครับทุกวันนี้เรามีชีวิตอยู่ในความสะดวกสบายเรามีความสุขเรามีชีวิตอยู่ในเทคโนโลยีที่สูงมากๆเมืม่อเปรียบเทียบกับ40 50, 50ปีที่แล้วและเทียบกันไม่ได้เลยเมื่อเปรียบเทียบกับ 2,000 ปีที่แล้วพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าที่เทคโนโลยีนั้นนำความสุขมาถึงร่างกายของเรา แต่สิ่งที่สําคัญมากกว่าร่างกายของเรานั้นก็คือจิตใจและจิตวิญญาณครับและจิตวิญญาณของเรานั้นมีความชื่นชมยินดีจริงๆหรือเปล่าปัญหาประเด็นในวันนี้ก็คือว่าเรานั้นได้รับความอบอุ่นเรานั้นได้รับความรักเรานั้นมีความชื่นชมยินดีเรานั้นมีความสุขกับชีวิตของเรามากน้อยขนาดไหนพี่น้องครับหากใครรู้สึกลําบากเหน็ดเหนื่อยรู้สึกท้อใจ รู้สึกจิตตกโปรดฟังเสียงของพระผู้เป็นเจ้าที่เรียกเราว่าลูกเอย๋ยพี่น้องครับพระเยซูทรงเรียกสาวกของพระองค์และพวกเราว่าลูกเอย๋ยทั้งทั้งที่จริงๆแล้วพระเยซูเรียกเราว่าเป็นสหายของพระองค์ในหลายๆบริบทพระเยซูทรงเรียกคนที่ฟังพระองค์ในหลายๆอย่างครับ และจากครั้งนี้ที่พระเยซูเรียกพวกเราและสาวกของพระองค์ว่าลูกเอย๋ยนั่นแสดงว่าพระเยซูกำลังบอกกับเราถึงเรื่องของความรักที่พระองค์มีกับเราตลอดจนความอ่อนโยนแบบบิดาหรือพ่อกับลูกความรักตรงนี้เป็นความรักที่อ่อนโยนนุ่มนวลสวยงาม ในขณะเดีย ก, กันครับทําให้เรารู้สึกว่าเรามีคนที่ปกเทองเราอยู่หมายความว่าเรามีคนที่กําลังดูแลเราด้วยความเอาใจใส่กําลังปกป้องคุ้มครองรักษาเราและในที่สุดในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่สิบเจ็ดพระเยซูก็อธิษฐานปกป้องรักษาเราด้วยเช่นเดียวกันครับและเป็นครั้งแรกในพระคัมภีร์ที่พระเยซูเรียกสาวกและพวกเราว่าลูกเ อ, อ๋ยพี่น้องครับ เยซูทรงทราบล่วงหน้าว่าพระองค์จะจากพวกเราไปสามปีแห่งความผูกพันที่ลึกซึง้งสามปีแห่งความสัมพันธ์ที่ดื่มดำ่ำสามปีแห่งการใช้ชีวิตร่วมกันบัดนี้ก็จะถึงเวลาที่จะปิดฉากลงแล้วนั่นคือภารกิจของพระเยซูก็จะสำเร็จบนไมก้กางเขนพระเยซูกำลังเดินเข้าสู่โค้งสุดท้ายวันพระรหัสวันศุกร์เป็นไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมง ความสมพันธ์และสัมพันธภาพอันดื่มดำในความรักความเห็นอกเห็นใจที่เคยมีมาก่อนทำให้พระเยซูเอ่ยปากเรียกสาวกของพระองค์ว่าลูกเอ่ยความเป็นห่วงความรักที่มีต่อสาวกของพระองค์และพวกเรานั้นทำให้พระเยซูหลายครั้งทีเดียวนั้นพรงพรง้องไห้หลายครั้งทีเดียวนั้นตระงเศร้าโศกเสียใจครับและมาถึงตอนนี้ เยซูก็เรียกด้วยความเป็นห่วงและบอกกับเขาเบื้องหน้าว่าอีกหน่อยอีกขณะหนึ่งเจ้าจะส่อหาเราแต่ไม่พบครับพี่น้องก็มีในพระธรรมยอห์นที่บอกส่อหาเราเหมือนกับที่คนยิวส่อหาพระองค์แต่เขาไม่พบแต่ในขณะที่พระเยซูพูดคำนี้นะครับพระเยซูไม่ได้บอกว่าสาวกของพระองค์จะไม่พบพระองค์แต่ตอนที่พระเยซูพูดกับพวกยิว โป้งบอกครับบอกว่าเจ้าจะไม่พบเราเพีองครับทำไมพระเยซูถึงได้พูดคำนี้ว่าอีกขณะหนึ่งเจ้าจะเสาะหาเรานั่นหมายความว่าอัอครส า, าวกทั้งหลายสิบเอ็ดคนเขาจะเสาะหาพระเยซูอยากจะให้พระองค์เป็นเหมือนกับสามปีที่เคยใช้ชีวิตมาก่อนอยู่ด้วยกันกินด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันทำงานด้วยกันเชื่อฟังกันคุยกัน ไม่มีอีกแล้วครับเจาะหาความสัมพันธ์แบบนี้แต่พี่เยซูรับประกันเราว่าเราจะมีความสัมพันธ์ครับเช่นเดียวกันเมื่อพระวิญญาณบรสิสุทธิ์เสด็จมาในโลกนี้แล ะ, สะเสด็จมาประทับอยู่ในชีวิตของเราเราก็จะมีความดื่มดำ่ำเช่นเดียวกันแบบเดียวกันเหมือนกับที่สาวกได้เคยมีความดื่มดำ่ำ กับพระเยซูขณะที่พระองค์อยู่ในโลกนี้กับพวกเขาเป็นเวลาสามปีด้วยกันพี่น้องครับขอให้เราได้ยินเสียงของพระเยซูในวันนี้ที่เรียกเราว่าลูกเอย๋ยขอให้เราได้ยินเสียงและสัมผัสถึงความรักของพระองค์เวลาที่เราท้อแท้ใจเวลาที่เราจิตตกเวลาที่เราเหนื่อยเวลาที่เราหิวกระหาย ขอให้คําว่าลูกเอ๋ยนั้นจะเป็นคําที่ปอบประเลาประโลมชีวิตของพวกเราเวลาที่เราเจ็บ ป, ป่วยไม่สบายเวลาที่เราเกิดความรู้สึกรับไม่ได้กับบางสิ่งบางอย่างรู้สึกจิตของเรานั้นสลายจิตเราตกจิตเราได้รับการกระทบกระเทือนอย่างมากคุณครับพระเยซูตรัสบอกว่าบัดนี้เราได้พูดกับเจ้าคือที่เรา ไปนั้นเจ้าทั้งหลายไปไม่ได้พี่น้องครับหลายคนก็งงและสงสัยพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าทำไมที่ที่พระเยซูไปนั้นเป็นที่ไหนหรือและเราไปไม่ได้คําพูดคํานี้นะครับมีความหมายชัดเจนเมื่อเราใช้คําว่าที่ที่พระเยซูจะไปนั้นเราทั้งหลายเวลานี้ยังไปไม่ได้นะครับ พอปรับภาษานิดเดียวครับพี่น้องเราก็จะเข้าใจเลยครับแต่ความหมายที่พระเยซูทรงกล่าวถึงทรงตรัสอย่างนี้ก็จะเป็นความหมายเดียวกันนี่แหละครับที่ผมพูดไปโปรดฟรังกันครับพระเยซูตรัสในทํานองที่ว่าที่ที่พระองค์จะไปนั้นพระเยซูจะไปนั้นเราทั้งหลายยังไปไม่ได้ตอนนี้คาว่ายังไปไม่ได้นั่นหมายความว่า ไม่ใช่ว่าไม่ได้ไปนะครับยังไปไม่ได้ก็คือยังไม่ถึงเวลาแต่จะไปได้ทุกคนเมื่อแต่ละคนทุกคนทุกท่านเสร็จสิ้นภารกิจของตัวเองในโลกนี้แล้วและภารกิจของตัวเองเราแต่ละคนนั้นเป็นภารกิจที่พระเยซู ก, กล่าวในข้อที่สามสิบสี่สามสิบห้าต่อไปก็คือภารกิจแห่งความรัก พระเยซูรักพวกเราและพระองค์ทรงเรียกแล้วว่าลูกเอย๋ยพระเยซูกำลังมอบภารกิจแห่งความรักเป็นภารกิจของพระเยซูที่ในส่วนของพระองค์ทำเสร็จแล้วแต่ในส่วนของเรายังทำไม่เสร็จเราจะต้องเป่าประกาศความรักของพระองค์ต่อไปแต่เมื่อภารกิจของแต่ละคนเสร็จแล้วเราก็จะได้ไปอยู่กับพระองค์ไปที่ที่พระองค์ทรงไปนั้น พี่ังขับคำว่าบัตรนี้นะครับบัตรนี้เพราะยังไม่ถึงเวลาภารกิจของพระองค์กำลังเสร็จแต่เรายังมีภารกิจต่อไประเยซูกอธิษ ฐ, ฐานเผื่อเราให้ทำภารกิจของพระองค์ที่รับมอบหมายให้สำเร็จในบทที่สิบเจ็ดต่อไปพี่นังขับการถวายเกียรติการรับเกียรติ ด้วยการทนทุกข์เป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่ที่คริสเตียนเราพึงได้รับเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องเสียใดเสียใจเมื่อเรามีความทุกข์ยากละบากเข้ามาเมื่อเราถูกกลมเหงิเมื่อเราเจ็บป่วยเมื่อเราบาดกเจก็บทางใจจากครอบครัวก็ตามจากเพื่อนก็ตามจากคนที่เรารักก็ตามเราจะต้องมีความมั่นใจภูมิใจดีใจกับการรับเกียรติ ด้วยการรับใช้ต่อไปอย่างสัตว์ซื่อและในขาที่เรารับเกียร์นั้นเรากำลังถว า, ายเกียร์แต่พระบิดาเจ้าอาม